ผู้ฟังคานเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มาจากหนังสือของครูเหมเวชกรค่ะซึ่งชื่อตอนก็มีชื่อว่าวิญญาณทรมานนะคะเรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของนายอุทิตค่ะถ้าหากว่าใครที่เคยติดตามเรื่องก่อนหน้านี้ก็จะรู้นะคะว่านายอุทิตนี่คือใครจริงๆแล้วนายอุทิตคือนักเขียนเรื่องรักที่ชอบค้นหาเรื่องรัก ชนิดแสลงใจค่ะหรือว่าเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยความใคร่เป็นผู้นําถึงจะยอมเขียนนะคะนายอุทิตเนี่อถือว่าความรักทั่วๆไปนั้นเป็นธรรมดาสามัญค่ะไม่ใช่เป็นรักที่แสลงใจหรือที่เรียกว่ารักอันยิ่งใหญ่อันควรถือว่าเป็นรักประวัติศาสตร์ควรที่หนุ่มสาวรุ่นหลังจะยึดเป็นบรรทัดฐานหรือว่าตำรารักที่ควรรู้จักค่ะคําว่ารักนั้นนะคะมีกําหนดแค่ไหนอ่าแค่ไหนจะเรียกกัน ว่ารักไม่ใช่สัตว์แต่ว่าโตเป็นหนุ่มสาวแล้วก็จะต้องมีความรักเยี่ยงเดียวกับสัตว์ทั่วไปในโลกจะรู้จักรักในเมื่อถึงฤดูการอันพึงจะต้องทำการสืบพันธ์เท่านั้นซึ่งตอนแรกนายอุทิศนะคะจะสร้างเรื่องรักของหญิงชายคู่หนึ่งผู้มีประวัติศาสตร์ก็คือเท้าศรีสุดาจาันทร์และก็ขุนวรังวงศาค่ะ ที่ควรจะมีความรักอันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าบางเอิญค่ะว่านายอุทิศเนี่ยยังคงวางเขาโครงไม่ถึงขั้นเพราะว่าเกิดปัญหาที่จะขัดกับการบันทึกของประวัตินักเรียนอของนักเขียนรุ่นเก่าที่ทําไว้แต่เดิมก็เลยยังค้างเติ่งอยู่นะคะในเรื่องส่วนตัวกลั่วการเมืองนั่นแหละซึ่งแท้ที่จริงก็เลยยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควรค่ะแต่ว่าในตอนนี้ เกิดพบเอาความรักอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ความรักที่พบใหม่นี้เกือบๆจะเป็นนิยายค่ะแต่ว่าแท้ที่จริงมันเป็นความจริงที่มีตัวตนอยู่คุณผู้ฟังยังคงจําชื่อนายสุธิได้ใช่ไหมคะที่เป็นผู้เข้ามาพัวพันในเรื่องเรื่องส่วนตัวกลั่วการเมืองค่ะ นายสุธีผู้นี้น ะ, ะวนเวียนขับรถส่วนตัวจากกรุงเทพไปอ่างทองเสมอและก็มากมาชวนนายอุทิศของเราเนี่ยนั่งรถไปเป็นเพื่อนด้วยทุกครั้งในตอนต่อไปนี้นะคะคุณผู้ฟังจะพบว่านายสุธีเนี่ยเกิดมีความรักขึ้นและก็จะเป็นความรักชั้นไหนนายอุทิศผู้ดูหมิ่นเรื่องรักทั้งหลายจึงได้เกิดสนใจขึ้นที่ผมถามขึ้นนี้ก็ถามกันในฐานะเพื่อนเพราะว่ามีอะไรสงสัยบางอย่าง สุธีไปอ่างทองคราวใดจะไปเพียงคนเดียวทุกคราวแล้วก็จะมาชวนผมไปด้วยเสมอการไปของเขานั้นเท่าที่ไปด้วยกับเขาทุกคราวก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีธุระอะไรสำคัญนะัก เมื่อเขาฝากรถไว้ที่จังหวัดแล้วก็ชวนผมลงนั่งเรือต่อไปยังหมู่บ้านฝั่งซ้ายก่อนจะถึงตําบลชัยโยหรือว่าวัดชัยโยเขาจะแวะที่บ้านหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่โตซึ่งบ้านหลังนี้ดูๆไปก็คงจะฐานะดีใช่น้อยเพราะว่ามีผู้คนมากมายทั้งหญิงชายเขาจะแวะพักราวๆชั่วโมงหรือกว่านั้นแล้วก็ชวนผมออกเดินทางเลาะชายแม่น้ําไปที่วัดนกซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากมาแต่การก่อน วัดนกมีบริเวณร่มเย็นดีน่าสบายครั้นถึงวัดแล้วแทนที่จะไปหาพระหาเจ้าก็เปล่าทั้งสิ้นเขาจะขอตัวเดินรอบรอบองค์พระเจดีองค์หนึ่งอย่างเงียบๆแล้วก็สงบสักสองสามรอบแล้วก็ชวนผมเดินต่อไปอยังวัดหลวงพ่อโตวัดชัยโยที่มีองค์พระใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาไปเดินรอบๆบพระเจดีวัดนกแล้วก็กลับมาที่บ้าน ก็จะคุยกันที่บ้านนั้นสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลงเรือกลับจังหวัดขับรถกลับอยุธยาแล้วก็นอนค้างกันที่วัดธรรมิกราชผมก็ไม่เคยเอ่ยถามในการกระทําของเขาเลยทุกเที่ยวครั้นครั้งหนึ่งผมก็ตั้งปัญหาถามขึ้นสุทีนิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งการที่ฉันไปที่อ่างทองเสมอเสมอนั้นฉันก็อยากจะเล่าให้แกฟังเหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องของฉันว่ามันจะเป็นสาระอะไรกับแกหรือเปล่า ฉันก็เลยยังคงไม่ได้เล่าให้ฟังก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เอา้าแล้วกันเรื่องของแกฉันย่อมฟังได้แล้วก็อยากจะฟังด้วยสิมันก็เรื่องความรักนี่แหละแต่ว่ามันเป็นรักเก่าที่เลยมาแล้วแต่ฉันก็ลืมไม่ได้วะ่บะบ้ามีเรื่องดังนั้นแล้วนิ่งเสียได้เอา้าเล่าไปเถอะเพราะคุณอยากฟังจริงๆก็แกจําบ้านหลังนั้นได้ปะละ่ะบ้านที่เราไปกันทุกคราวนั่นแหละบ้านเกิดของฉันฉันได้มีชีวิตขึ้นมาที่บ้านนั้นทีเดียว ฉันเป็นญาติแบบกาฝากของบ้านนั้นมีหญิงคนนึงที่ฉันเรียกว่ายายเป็นผู้อุปการะฉันและยายที่ว่านี้เนี่ยมีหลานสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นเชื้อไขทีเดียวของแกฉันก็เรียกผู้หญิงคนนั้นตามศักด์ว่าพี่เขาชื่อสีนวลเมื่อเล็กๆฉันก็เรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดนั่นแหละแต่ว่าต่อมาคุณยายผู้มีคุณเหลือล้นของฉันได้ส่งฉันเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพเวลาหยุดเรียนฉันก็มาเยี่ยมกระรับเท้าท่านเสมอมาส่วนพี่สีนวล น, นั้นก็รักใคร่กันมาก พี่สีนวลเนี่ยเรียนอยู่แค่จังหวัดนั่นเองแกไม่ยอมมาเรียนต่อโดยอ้างว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรสําหรับคนอย่างแกแต่ว่าความจริงแล้วพี่สีนวลนี่เป็นผู้หญิงที่มีหลักฐานนะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกหลายทอดมาจะเรียนต่อให้สูงอย่างไรก็เรียนได้แต่ว่าแกเนี่ยไม่ต้องการให้เลยฐานะของหญิงบรรนอกที่ควรจะเป็นโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนักเท่าที่อ่านออกเขียนได้ก็เท่านั้นก็เพียงพอที่จะครองบ้านได้อยู่แล้วส่วนฉันน่ะหรอก็เรียนจนจะจบโรงเรียนธรรมดา คุณยายผู้เป็นหลักเกิดมาสิ้นอายุลงฉันก็เลยเหมือนจะเป็นบ้าที่จะเรียนไม่จบแต่ว่าพี่สีนวนผู้ประเสริฐได้บอกให้ฉันเรียนจนจบโดยส่งเสียค่าเล่าเรียนเองฉันก็เลยได้เรียนจนจบหนังสือนี่แหละครั้นจบดีแล้วพี่สีนวนกลับบอกกับฉันว่าลงตั้งใจธนุบำรุงฉันก็จะขอบำรุงให้สุดแกขอร้องให้ฉันเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลายัยโดยทุกๆอย่างแกเป็นหลักให้ฉันหมดอุทิศเอ้ยฉันได้พระโปรดจากยายอีก อยู่ๆไปฉันก็เกิดรักพี่สีนวลเข้ารักอย่างชู้สาวนะไม่ใช่รักอย่างพี่น้องอย่างอะไรที่คนอื่นเขาคิดธรรมดาธรรมดาฮะแล้วพี่สีนวลรักแกปะวะในด้านรักประเภทนี้เนี่ยฉันรู้ว่าแกก็รักฉันในแบบเดียวกันฉันเห็นแกมีความสุขแล้วก็เปล่งปลั่งมากแต่อุทิศเอ้ยถ้าแกจะค้นหาคนชั่วใจสัตว์ในยุคแล้วก็แกจะไม่พบใครเท่าฉันหรอกการที่ฉันได้เรียนหนังสืออยู่ที่ชั้นสูงๆเนี่ย ก็เป็นเพราะพี่สีนวลและฉันก็ชวนแกรักประเภทชู้สาวแกก็รักด้วยแล้วฉันก็ทำใจสัตว์รักหญิงเข้าอีกคนซึ่งเป็นนักศึกษาด้วยกันซึ่งแต่เดิมฉันเคยให้คำมั่นสัญญากับพี่สีนวลว่าพอเสร็จการศึกษาแล้วฉันได้ทางานทาการเราก็จะแต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่แล้วฉันเองก็มามีใจเป็นสัตว์ป่าลืมรักลืมบุญคุณของผู้ประเสริฐ ข่าวการเปลี่ยนใจของฉันเนี่ยได้ร่วมมาถึงหูพี่สีนวลฉันก็เลยได้รับจดหมายจากแกซึ่งโอดครวนในเรื่องรักของเรามาอย่างยืดยาวแล้วก็ลงท้ายว่าถ้าฉันเห็นว่าการมีรักใหม่เป็นสุขใจฉันพี่สีนวลมีความมั่นใจในรักถ้าสิ่งใดที่ฉันจะสุขพี่สีนวลเห็นด้วยแล้วก็ยอมให้ฉันมีรักใหม่ได้ตามใจอุทิศเพื่อนรักทั้งๆ ท, ที่ฉันเนี่ยกาลังมีใจเป็นสัตว์นะเว้ยแต่ก็ต้องร้องไห้ด้วยความสงสารแกว่ะ พอดีฉันเรียนจบได้ปริญญาฉันก็ระเริงใจหรูหราอยู่ในกรุงไม่ได้ออกไปหาพี่สีนวลเลยจนฉันได้รับจดหมายอีกฉบับพี่สีนวลเขียนมาบอกว่าไหนๆก็จะแยกทางกันเดินละขอให้ฉันได้พบหน้าของเธออีกสักครั้งเป็นครั้งสุดท้ายฉันก็ใจอ่อนก็รีบไปหาพี่สีนวลทันทีสุธีหยุดร้องไห้สักครู่เช็ดน้ำตาแล้วเล่าต่อฉันเนีกลับมาเยี่ยมแกตามคำเรียกร้อง แกก็แอบร้องไห้กับฉันเหมือนจะสิ้นใจฉันก็เกิดรวนเร่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกัดฟันตัวเองอย่างโกรธแค้นที่ตัวเองทําไมมันเลวแบบนี้ฉันกลับพูดกับพี่สีนวลว่าที่คิดไปแล้วนั้นนะเป็นการคิดผิดขอลุ้แก่โทษตัวกราบไหว้วอนขอเลิกใจสัตว์ขอรักพี่สีนวลอย่างเดิมขอหนุนตักพี่สีนวลจนตลอดชีวิตและในที่สุดไอสัตว์ป่าสุทีก็ได้พี่สีนวลเป็นเมียอย่างลับๆ แต่ว่าไอสัตว์ป่าเนี่ยกำลังสมัครงานไว้รอฟังผลอยู่ก็เลยลากลับกรุงเทพอีกแล้วก็ใจสัตว์ก็คงครอบครองสิงสู่อยู่ดําเนินรักกับแม่สาวคนเก่าอีกนานเดือนไม่เคยส่งท่าว่าวไปหาพี่สีนวลเลยจนกระทั่งมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือไม่นักศึกษาคู่รักของฉันเนี่ยได้เบนรักไปยังชายคนอื่นอีกคนที่รวยกว่าฉันหน้าตาดีกว่าฉันทีนี้เนี่ยเขาก็ไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็ไปอยู่กินกับผู้ชายคนนั้น ฉันเนี่ยแทบจะเป็นฆาตกรเลยแกแล้วฟ้าก็ได้ฟาดเปรี้ยงลงหัวฉันคือจดหมายมาจากอ่างทองบอกข่าวว่าพี่สีนวลตายโดยการกินยาทางบ้านถือเป็นการตายโหงสวดศพแล้วก็รีบเผาโดยวงญาติจัดการแล้วก็นํากระดูกเนี่ยไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดนกอุทิศฉันเป็นบ้าแน่เลยฉันร้องไห้แทบน้ําตาเป็นสายเลือดพี่สีนวลห น, นีไอ้คนใจสัตว์ไปแล้วความวัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกฉันก็ถูกหัก อ, กอกอย่างเลือดเย็น ซ้ำร้ายที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ของฉันก็มาตายจากฉันไปอีกฉันร้องไห้กระเสาะกระเซิงไปบ้านที่อ่างทองพอตกค่าฉันก็ไปที่พระเจดีที่บรรจุกระดูกฉันไปร่าไห้ที่นั่นจนดึกจนดื่นฉันอยากจะขาดใจตายอยู่ตรงนั้นฉันร้องไห้สารภาพผิดฉันรู้ว่าพี่สีนวลเนี่ยจะอยู่เป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรแกก็คงจะตั้งครันขึ้นมาแหละและฉันก็ห่างหายไปจากพี่สีนวลไม่เคยแม้กระทั่งส่งข่าว และฉันก็ไม่ได้ไปเยี่ยมกรายพี่สีนวลทุกคนในบ้านก็ร้องว่าพี่สีนวลตายอย่างนึกคลับแต่ฉันรู้สิรู้อยู่แก่ใจว่าไม่เป็นความรับอะไรหรอกตายเพราะคนใจสัตว์อุทิศฉันจะไม่ไปอ่างทองได้ยังไงกันฉันจะต้องไปวนเวียนที่วัดนกตลอดชีวิตจนกว่าจะตายจากไปสุธีหยุดเล่าแล้วร้องไห้เป็นการใหญ่ผมนิ่งอึ้งด้วยความเศร้าในใจชีวิตของพี่สีนวลและรู้สึกเกลียดสุทธีเป็นกําลังมองเขาอย่างหมันไส้ ก็เลยเป็นการนิ่งกันไปนานหลายนาทีอ้าแล้วแบบนี้แกไปที่เจดีนั่นแกเคยพบกับวิ ญ, ญญาณพี่สีนวลบ้างไหมวะตอนแรกก็เคยพบแหละฉันกราบแกกับพื้นดินแล้วก็ร้องไห้ขอลุกแกโทษแกอยู่จนดึกแต่ว่ามาตอนหลังพี่สีนวลก็ไม่ยอมออกมาพบเลยแต่ฉันก็จะเวียนอยู่ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตจะทรมานใจตนเองให้สิ้นซากของไอ้คนชั่วไปเลยเขาหยุดพูดแล้วก็หยุดร้องไห้อีกผมมองด้วยความสังเวชขันแรกคิดว่าจะเกลียดให้หนัก แต่มาอีกทีนึงก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็เรื่องที่เลยมาแล้วจะไปโกรธไปเกลียดก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นแกเคยไปกับฉันแกไม่เคยค้างคืนเลยนี่หว่าแกจะพบเธอได้ยังไงกันตามทีเธอฉันจะไปเรื่อยๆไปแบบไม่บอกอกมันจะแตกแม้จะทรมานใจปานใดฉันก็จะยอมใช้นิกรรมที่ทำไว้ ผมตกลงใจไปอ่างทองกับสุธีอีกอย่างเห็นใจขับรถวิ่งถึงอยุธยาแล้วก็เข้าไปในวังโบราณแล้วลัดออกทางด้านโน้นข้ามสะพานไปสู่ทุ่งภูเขาทองหัวใจผมก็มุ่งถึงเรื่องความรักแท้จริงของเจ้าแม่สุริ ย, ย์โยธัยที่ถูกข่าศึกฟันขาดสะพายแล้งที่ท้องทุ่งนี้เพราะความรักพระสวามีปลอมเป็นชายติดตามไปต้านทานข่าศึกเมื่อเห็นพระสวามีเสียทีพระองค์เองก็เลยสวรรคตแทนผมมองท้องทุ่งแล้วก็สะท้อนใจ สุธีไม่รู้ใจผมว่ากำลังคิดอะไรผมขอให้เขาหักรถเข้าสู่องค์ภูเขาทองแล้วจอดที่เนินข้างองค์เจดีฉันเนี่ยสงสัยจริงๆเลยว่ะเนินภูเขาทองก็มีอยู่แค่นี้พม่ามันจะมาตั้งทับได้ยังไงกันทำไมละ่ะบางครั้งเนี่ยพม่ามันก็เคยยึดภูเขาทองนี้ตั้งฐานทับแกลองคิดดูสิวะพะม่ายกทับมาแต่ละคราวจะมีพลมาราวๆสี่0 0 0 0แแล้วที่ที่ทุ่งภูเขาทองเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ มันจะพอหรือวะอา้าวก็ท้องทุ่งอีกสุดลูกหูลูกตาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกบางคราวพาม่ามาล้อมไทยอยู่จนถึงหน้าน้ํพาพม่าเองก็จะเอาที่นี่เป็นที่ตั้งเพราะว่ามีเนินสูงท้องทุ่งทั้งหมดก็น้ําท่วมเป็นทะเลไปหมดและพาม่าจะเอาช้างเอาหมามายืนแช่น้ําอย่างนั้นเหรอเออจริง่ะฉันลืมคิดเรื่องช้างเรื่องม้าไปจริงสิทั้งสัตว์ทั้งคนมันก็มียัดเยียดกันแย่เดินรอบภูเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนัก ก็นั่นนะสิท่านาแรงก็สบายละช้างม้าอยู่ที่ทุ่งคนอยู่บนเนินตัวชั้นนาอยู่บนฐานพระเจดีแต่ยังไงก็ไม่รู้นะเขาว่ากันอย่างนั้นก็พูดไปบ้างเออทองทุ่งนี้แหละสุธีเอ้ยทั้งไทยทั้งพมา่าตายกันเป็นเบือเลยผมพูดแล้วก็กัดกรามแน่นเราอยู่ที่ภูเขาทองอีกรุ่นึงเป็นการพักรถแล้วก็ออกจากที่นั่นวิ่งผ่านวัดตูมเข้าเขตทุ่งบางปาระหันแล้วทุ่งป่าโมกเข้าอ่างทอง พอสุธีฝากรถแล้วผมก็ถามเขาว่าเออที่บ้านเนี่ยที่จะไปเนี่ยนะมีรูปของพี่สีนวลบ้างไหมอยากจะเห็นรูปร่างบ้างอ๋อมีสิรูปใหญ่ๆแต่ว่ารูปเล็กๆที่ตัวฉันก็มีนะติดตัวมาเสมอเขาพูดแล้วก็ล้วงกระเป๋าเสือ้อแกะเข็มกลัดซ่อนปลายเขาว่ารูปนั้นมีล็อกเก็ตห้อยติดอยู่ในด้านกระเป๋าครูหนึ่งเขาก็ส่งล็อกเก็ตทองเล็กๆให้ผม ผมรับมาแกะดูภาพข้างในเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาเรียบเรียบไม่สวยแต่ไม่ขี้ริ้วหน้าอมยิ้มแสดงลักษณะใจดีแม่ขุนเอ้ยแม่หญิงผู้นี้มีแต่รักอันบริสุทธิ์ล้นเปี่ยมและก็ตายด้วยรักที่สดใสผมมองดูด้วยความสะท้อนใจจังเป็นภาพติดตาซะจริงผมส่งคืนเขาและเขาก็รีบนำเข้าเก็บที่เดิมพร้อมกับติดเข็มกลัดไว้อย่างเก่าฉันเอาติดตัวไปทุกหนแห่งเพราะถือว่าเป็นเมียเป็นพี่เป็นแม่ เป็นหมดทุกอย่างอุทิศฉันจะไม่มาอ่างทองไม่ได้เลยนะฉันต้องเห็นห้องนอนของเธอเห็นหลังคาบ้านเห็นองค์พระใจดีที่กระดูกของเธออยู่ถ้าไม่มาใจมันจะขาดฉันว่าวันนี้เราอย่า ก, กลับไปอยุทยาดีกว่าเพื่อนค้างที่นี่สักคืนนึงแกจะได้มีโอกาสได้พบกับเธอพอชื่นใจบ้างงั้นเหรอความจริงฉันก็อยากทาอยู่นะแต่ว่าเกรงใจแกที่จะต้องมาเองแมงกับฉันโอ้ไม่เป็นไรฉันยินดี นักค้นคว้าเรื่องรักเนี่ยก็ต้องการกลิ่นอายของความรักเชิญตามสบายเถอะเพื่อนฉันเองสบายใจจริงๆผมพูดจบสุธีโดดเข้าจับมือผมเรากับรู้จักกันใหม่ๆเราลงเรื อ, อยนต์ครู่เดียวก็ถึงบ้านของสุธีพอขึ้นตลิ่งสุธีแง่หน้ามองหลังคา บ, บ้านและยอดไม้สูงๆแล้วถอนใจยาวเนี่ยบ้านเกิดของฉันแล้วก็เกิดรักเกิดเศร้าเกิดทรมานใจเขาพูดคล้ายกับคนเหนื่อย เสียงวงสาคนาญาตของสุธีโวยวายดีอกดีใจที่เห็นกลับมาบ้านเขาชังต้อนรับสุธีอย่างอบอุ่นน่าชื่นใจผมมาบ้านนี้สองสาหนญาติผู้ใหญ่รู้จักดีผมเที่ยวกราบเที่ยวไหว้จนทั่วเว้นแต่พวกญาติผู้หญิงเท่านั้นเพียงไหวและทักทายพอเป็นระเบียบจึงยังรู้จักกันไม่ทั่วดีพอเขารู้ว่าเราสองคนจะค้างที่นั่นเขาต่างดีใจผู้ใหญ่บอกว่าให้พวกผู้หญิงมาจัดห้องหับให้เราบ้านนี้มีหลายหลังคาเรือน แต่มีนอกชาญแล่นกลางถึงกันหมดห้องหนึ่งติดภาพถ่ายพี่สีนวลอยู่ผมก็รู้ว่าห้องนั้นคือห้องพี่สีนวลและญาติสาวของสุธีก็จัดห้องนั้นให้เรานอนภาพถ่ายพี่สีนวลมีดวงหน้ายิ้มแล้วก็มองตามผมผมจำภาพแกได้ติดตาเลยเพราะเพิ่งเห็นภาพที่ล็อกเก็ตของสุธีครั้นมาเห็นภาพใหญ่ก็จำได้เลยไม่ต้องมีใครมาบอกเราลงอาบน้ํากันที่แม่น้ําอย่างเย็นสบายพอกลับขึ้นมาบนบ้านก็มีเหล้ายาปลาปิ้งเตรียมไว้ให้พร้อม โดยเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกับสุธีจัดการแล้วฝ่ายพี่ป้าน้าอาผู้ชายก็มาร่วมดื่มกันสุธีดื่มสองแก้วแล้วกระซิบผมว่าเขาขอไปวัดสักประเดี๋ยวให้ผมนั่งดื่มอยู่กับพวกทางบ้านคลางก่อนผมรู้ใจดีว่าเขาจะไปทำไมก็พยักหน้าตกลงสุธีก็เลยหายไปครู่ใหญ่แล้วก็กลับมามีผลไม้ชนิดเปรียปร้ยวมาด้วยเช่นมะ ม, ม, ม่วงมะยมมะเฟืองเขาส่งเข้าครัวให้ผู้หญิง อีกครู่เดียวก็กลับมาให้เราเป็นเครื่องแกล้มเหล้าโดยมีน้ำปลาหวานแล้วก็กะปิหวานมาด้วยสุธีหยิบจิ้มแกล้มเหล้าเข้าไปเหมือนคล้ายจะเผ็ดมีน้ำตาไหลแต่ผมรู้ว่าไม่ใช่ของเหล่านี้ที่พี่สีนวลคงเคยทำให้เขากินเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตอนเย็นถึงเวลาอาหารวงของเราออกจะเสียงดังกันหน่อยด้วยริดของสุดาอาหารบ้านนี้ช่างสมกับบ้านชาวแม่น้าโดยแท้มีทั้งปลาสดปลาแห้งเค็มปลากรอบต้มยำบ้างน้าพริกบ้าง ผัดปลาสดบ้างมีรสอร่อยตามแบบชาวบ้านที่มีสายน้ําไหลผ่านบ้านมีต้นไม้เขียวๆหลังบ้านมีทุ่งข้าวรสชาติอย่างไทยแท้มีเผ็ดและเปรี้ยวเค็มต้มยำแบบเก่าวคือต้มยำกะทิละลายน้ําพริกเผาแล้วก็มีกระเทียมเจียวน้ํามันพอกรอบหอมโรยหน้ามันทั้งอร่อยแล้วก็โล่งคอผมสดซชุ่มคอเลยบังเอิญเงยหน้ามองตรงเข้าไปที่ห้องที่เขาจะจัดให้เราทั้งสองคนนอนให้ตายไปเถอะครับท่านที่เคารพ คนเราในโลกนี้มีคนเหมือนกันได้คล้ายพิมพ์เดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังจัดการผูกมุ้งให้กับเราทั้งสองแกช่างเหมือนพี่สีนวลของสุธีต้องเป็นน้องสาวหรือพี่สาวของพี่สีนวลแน่ๆผมจ้องมองดูเขาหน่อยนึงแล้วกลับก้มหน้ารับประทานอาหารต่อไปผมไม่ถามสุธีเลยว่าหญิงคนนั้นเป็นพี่หรือเป็นน้องแบบคนช่างซักช่างถามผมไม่พูดเอาไว้ค่อยรู้ไปเองดีกว่า แต่นึกอยู่ในใจว่าถ้าผมเป็นสุธีผมจะสะเทือนใจไม่น้อยที่บ้านเดียวกันมีสองคนที่เหมือนกันอีกคนนึงจากไปแต่ยังมีเงาของอีกคนนึงหลอกหลอนอยู่ให้ทรมานใจในบ้านนี้มีสาวๆหลายคนที่ค่อนข้างสวยทั้งนั้นแต่ว่าสุธีไม่ได้รักกลับไปรักพี่สีนวนที่มีคุณให้การศึกษากับเขาแล้วก็ลงท้ายทดแทนคุณด้วยการที่รู้มาผมใช้สมองวิพากษ์วิจารณ์ไปขณะที่รับประทานอาหารเมื่ออิ่มแล้วเราก็ตั้งวงสนทนากันอีก หาเรื่องสนุกสนุกมาระบายอารมณ์เล่าสู่กันฟังจนเวลาย่างเข้าสี่ทุ่มความสบายของอากาศและริสุราทําให้อยากหาที่นอนตอนค่าคืนอย่างนี้ฝ่ายหญิงทั้งหมดไม่กระลำกรลายมาทางเราเขานอนอยู่เรือนหลังหนึ่งต่างหากเพื่อนๆของสุธีต่างแยกย้ายกันไปยังที่นอนของตนเราสองคนก็หมุนตัวเข้าห้องที่เขาจัดที่นอนไว้ให้แล้วของสุธีที่หนึ่งของผมที่หนึ่งผมได้ยึดเอาที่หนึ่งที่ใกล้หน้าต่าง เมื่อเข้านอนแล้วก็ยังอดนึกถึงหญิงอีกคนหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนพี่สีนวลของสุทีอยากเห็นใกล้ๆสักทีหนึ่งก็ไม่ได้พบอีกเพราะว่าฝ่ายหญิงไม่มาร่วมกับฝ่ายเราที่เมามายกันเสียงลั่นบ้านคืนนี้ผมหลับสบายจริงๆเพราะว่าริสุรามากหน่อยทั้งอิ่มเอมในรถอาหารด้วยหลับสนิทรวดเดียวตื่นเอาเช้าค่อนข้างสายผิดกว่าคนในบ้านนั้นผมมองเห็นหน้าตาของสุทีช่างชื่นบานกว่าเมื่อวานเขาคงหลับอย่างสบายเหมือนกัน เราต่างเก็บที่นอนหมอนมุ้งกันเองแล้วก็เลยต่างคนต่างไปล้างหน้าแล้วก็ลงเรือนไปหาทำกิจกรรมที่เคยของทุกคนและลงอาบน้ำในแม่น้ำกันอีกอย่างสบายสดชื่นกลับขึ้นมาแต่งกายกันตามระเบียบพวกเพื่อนหนุ่มของสุธีก็มาชุมนุมกันอีกเพราะว่าเป็นวันหยุดงานส่วนมากก็จะเป็นครูบ้างข้าราชการที่จังหวัดบ้างเมื่อเพื่อนเก่ามาในวันหยุดวงสุราก็เปิดขึ้นในตอนเช้าอีกพร้อมด้วยผู้ใหญ่ชุดเก่าเมื่อวาน ตอนเช้านี้มีต้มโคง้งหัวปลาช่อนแห้งกับใบมะขามสดมีหมูยำกับมะม่วงสดอาหารเหล่านี้มันช่างเข้ากับบรรยากาศและสถานที่เหลือเกินลมเย็นพลิ้วผ่านแม่น้ำเสียงนกเสียงการ้องกันแสวสุนักวิ่งไล่ฟัดกันใต้ถุนซึ่งเป็นธรรมดาของบ้านนั้นแต่มันปลุกประสาทผมให้แจ่มใสที่สุดมันเป็นบรรยากาศที่แสดงถึงความเป็นอิสระแห่งหัวใจหมดความกังวลผิดกว่าอยู่ในกรุงเทพ ผมค่อยๆสายตาหาแม่หญิงคนที่เหมือนพี่สีนวลแต่ว่าตอนเช้านี้ไม่เห็นอีกเลยพบแต่สาวๆคนอื่นๆที่ทั้งยิ้มทั้งทิ้งสายตาให้ผมกับสุธีเป็นกันเองสําหรับผมเนะี่ยบอกตรงๆเรื่องนี้กับผมยังห่างนักไม่ใช่โยคีหรือว่าแก่วัดอะไรทั้งนั้นหนุ่มก็ยังหนุ่มแต่ปลงอนิจจังตัวเองมันยังไม่มีฐานะจะคิดเรื่องนี้กับเขาได้ตัวเองยังร่องแรงไม่มีแก่นสารพอก็ยิ้มส่งไปยังเธอให้กับมารยาทแขกกับเจ้าบ้าน เราอยู่ที่บ้านนั้นเกือบเที่ยงจึงล่ำลากันเป็นการใหญ่แม้พวกผู้หญิงที่มีสีหน้าสลดก็รู้ว่าเราจะกลับผมเองก็พลอยสลดไปด้วยอย่างประหลาดใจ ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีจิตใจอะไรกับเขาในทางอื่นสภาพของเขาที่อยู่อาศัยและจิตใจต้อนรับของชาวชนบทย่อมมีอํานาจกับคนช่างคิดช่างฝันอย่างผมที่สุดรู้สึกอะไรอววรจริงๆเรากราบลาท่านผู้ใหญ่ทั้งหมดและลาแม่ของพวกสาวๆและรับปากว่าจะมาเยี่ยมอีก พวกหนุ่มๆตามไปส่งเราที่จังหวัดด้วยเราลากันอีกครั้งที่จังหวัดพอรถวิ่งออกไกลอ่างทองแล้วผมก็เริ่มเรื่องผู้หญิงที่บ้านสุธีว่าเหมือนกับพี่สีนวลของเขาจริงๆสงสัยว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องกันแน่เอ๊ะไม่มีใครเหมือนเธอเลยแล้วเธอก็เป็นลูกโทนพวกหญิงที่มีก็เท่าที่เห็นนั่นแหละไม่มีใครอีกนะโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันต้องตาฝาดไปแล้วผมพูดอย่างง ง, งๆเพราะเห็นจริงๆและชัดตาแกเห็นที่ไหนเขาถามอย่างสนใจ เห็นในห้องนั้นแหละตอนกินข้าวเย็นเนี่ยฉันเห็นเธอมาจัดที่นอนให้พวกเราด้วยนะเว้ยฉันก็พบเธอสุธีพูดอ้อมแอมแต่ว่าพบตอนดึกแกได้พบเหรอตลอดคืนเลยละ่ะมีหน้าห่าล่ะแกถึงดูสดใสนักยังงั้นคนที่ฉันเห็นกลางมุงให้พวกเราก็คือพี่สีนวล น, นะสิฉันเข้าใจผิดไปว่ามีคนเหมือนกันกับพี่สีนวลอีกความจริงเมื่อมีมีใครอีกคนคนที่ผมเห็นก็คือเธอนั่นเอง ผมนึกแล้วก็ใจหายวูบภาพนั้นจำติดตาเธอยังหันหน้ามาพบกับผมแท้ๆเที่ยวนี้ทำไมแกไปที่วัดหุ่นเดียวเท่านั้นก็เพราะว่าฉันได้ตัวของพี่สีนวลมาแล้วไงสุธีตอบอย่างยิ้มกริ่มแต่คงระวังพวงมาลัยรถตลอดเวลาผมหันมองหน้าเาว่าทำไมเขาพูดแบบนั้นก็เมื่อวานเนี่ยฉันไปหาพระที่วัดแล้วก็ขอร้องให้ท่านวานลูกศิษย์ช่วยงัดฝาพระเจดีตอนที่เก็บกระดูกเธอ แล้วฉันก็หยิบมาหนึ่งชิ้นใส่ถุงพลาสติกเล็กๆที่เตรียมมาและเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันก็เลยกลัดรวมไว้กับล็อกเกตภาพในกระเป๋าต่อไปฉันจะไม่ห่างกับเธอเลยเขาพูดให้ฟังอย่างสบายใจผมสะดุ้งใจเพราะผู้ใหญ่พูดว่าการกระทำแบบนี้เป็นการเอาวิญญาณเขามากดไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดแต่ท่านที่เคารพน้ากาลังเชี่ยวก็ขวางเรือไม่ได้ผมก็เลยนิ่งซะดีกว่าจะพูดอะไรอะไรออกไปคล้ายกับเห็นดีด้วย เวลานี้ดูเขาช่างมีความสุขจริงๆออกรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเขาในครั้งหลังนี่คนเราถ้าต้นร้ายปลายดีก็คบกันได้ฉันบอกกับเธอเมื่อคืนนี้ว่าฉันสัญญากับเธอฉันจะไม่มีเมียตลอดชีวิตฉันจะอยู่กับเธอคนเดียวเท่านั้นเขาพูดแล้วก็เอามือตบกระเป๋าที่มีกระดูกของเธออยู่ในนั้นผมก็ได้แต่พยักหน้าตอบเพราะเขากําลังมีความสุขที่สุดก็สุขไปเถอะเพื่อนเอ้ยผ่านมาทั้งอกหักในหยืนหญิงหนึ่ง เราก็ต้องมาเศร้าโศกกับหญิงอีกคนหนึ่งที่ตายจากไปความเสียใจเศร้าใจมันถึงที่สุดแต่ว่าบัดนี้เนี่ยกำลังสางโศกพบกับดวงวิญญาณของผู้ที่เขาติดตามแล้วเขาก็ตั้งใจใช้กรรมกันไปจนกว่าจะตายเรื่องนี้มันจะถูกหรือผิดอย่างไรก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของเขาอย่างสุดยอดอุทิศอยูยูสุทีเรียกผมขึ้นมาเฉยผมก็เลยหันมองดูหน้าเขาแต่เขายังคงระวังพวงมาลัยรถอย่างระมัดระวังอยู่ ฉันอยากจะ้างที่วังโบราณอีกสักคืนจะได้ไหมเขาพูดขึ้นหลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งเอ้าจะเป็นอะไรไปล่ะฉันก็ยังอยู่กับแกเสมอนี่ยังไม่ได้รีบไปไหนผมรีบตอบเขาเพราะตัวของผมเองก็อยากจะพบอยากจะคุยกับคุณเกรียงที่วัดธรรมิก ร, ราชอยู่แล้วยังอยากได้กลิ่นดอกไม้ข้างทางในซุ้มป่ารกๆของวังโบราณในยามค่ําคืนที่เคยได้กลิ่นไปตามสายลมถึงในกุฏิพระแต่ว่าคราวนี้อาจจะมีอะไรผิดไปกว่าเดิมหน่อยนะสุธีพูด คราวนี้แกรู้อยู่แล้วว่าฉันมีใครมาด้วยจะนำเอาเข้าไปนอนในกุฏิพระนั้นก็ไม่เหมาะเขาอธิบายผมรู้ทันความคิดของเขาทันทีเขาต้องการจะนอนในรถเพื่อสุขสบายกับดวงวิญญาณที่เขาได้มาถ้าเขานอนกับคุณเกรียงเขาจะต้องคุยกับคุณเกรียงและผมก็ไม่มีเวลาจะคิดจะนึกอะไรเรื่องอะไรของเขาที่มีอยู่โดยเขามั่นว่าเขากาลังอยู่กับใครตกลงแกนอนในรถได้ใช่ไหมผมแกล้งถาม ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าเขาประสงค์ดังนั้น คนเราถ้าลงมั่นใจในสิ่งใดยอย่างแน่วแน่เขาก็จะมีความสุขของเขาฉันนอนคุยกับคุณเกรียงหน่อยถ้าฉันอยู่กับแกในรถฉันก็คือตัวมานของแกผมพูดแล้วก็หัวเราะเขาก็หัวเราะด้วยความจริงมันก็ควรเป็นแบบนั้นเพราะว่าสุธีไม่กลัวพี่สีนวลว่าเป็นผีเลยเขาต้องการใกล้เธอตลอดเวลาอย่าไปขวางทางเขาเลยพอเข้าถึงเกาะเมืองเก่าของเราสุธีก็ขับรถ กลับเข้าวังโบราณแล้วก็หยุดรถที่หน้าโบสถ์หลวงพ่อเขานั่งพักในร้านอาหารแถวนั้นสุธีกําลังอิ่มอกอิ่มใจของเขาก็ต้องการดื่มสุราทั้งวันเขาสั่งสุรามาอีกพร้อมกับกับแกล้มพอสมควรดื่มแล้วก็คุยกันแล้วก็มองดูพวกรถยนต์ที่เพิ่งเข้ามาบ้างแล้วก็วิ่งออกไปบ้างพวกเขาคงกลับกรุงเทพกันแต่ว่าเรายังไม่กลับก็ดื่มกันให้สนุกใจข้างโต๊ะเรามีพวกนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ทั้งชายหญิงแต่ล้วนมีอายุเลยหนุ่มเลยสาวแล้วทั้งนั้น กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานเรียบๆกินกันเถอะจะได้แอบไปดูที่ท่าบึงพระรามไว้เผื่อจะมาขุดทรั์เก่าๆที่จมอยู่ในบึงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นพร้อมกับหัวเราะแต่ผมว่าจะขุดได้ปลิงมาเต็มเลยสิชายอีกคนหนึ่งตอบจริงแฮะถ้ามันจะชุมแน่เรื่องปลิงนะแต่ว่าซั์สินแก้วแหวนของโบราณเมื่อกรุงแตกจะยังหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่ ถ้ายังจะมีเหลือก็นับว่าคนอายุทยาหลังกรุงแตกโง่เง่าเอาการที่ทิ้งไว้ไม่ยอมขุดเอาไปซะปล่อยให้คนสมัยเรามาขุดกันผู้ชายอีกคนหนึ่งพูดอา้าวว่าไม่ได้นะพระต่างเสียอกเสียใจว่ากรุงเสียก็เลยไม่มีใครคิดถึงเรื่องทรัพย์ก็ได้นี่ผู้หญิงว่าแล้วก็ยักไหลโง่นะสิถึงเอาไฟสุมลอกทองพระไปหมดชายอีกคนหนึ่งว่าก็เลยหากันคืนค นั่นพมา่าแหละเป็นผูธรร้ธทำชายอีกคนหนึ่งพูดไม่แน่นะจะเป็นพมา่าทําคนเดียวคนไทยที่ทรยศชาติยังมีชีวิตอยู่นี่จะปล่อยให้พมา่าทําคนเดียวหรอผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างสาวหน่อยพูดเออจริงแฮะแต่ว่าชาติของตัวยังทรยศได้ทําไมจะไม่ทรยศศาสนาบ้างเชียวหรอถึงคราวได้แล้วนี่แต่ว่าน่าอนาถเนาะทั้งคนไทยคนพมา่าก็ชาวพุทธด้วยกันไม่น่าจะทําแบบนั้นเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าคนไทย อยุธยาไม่มีแต่ชาวพุทธอย่างเดียวชาวอะไรต่อมีอะไรก็เยอะแยะมากมายทั้งนั้นมากศาสนาด้วยกันอืมจริงของคุณอาจจะจ้างวานพวกคนนอกศาสนาพุทธทำก็ได้ใครจะรู้บาปบุญคุณโทษนั้นก็อยู่ไกลเอาได้เข้าว่าก่อนผมกับสุธีฟังเขาพูดกันสนุกดีแม้มันจะไม่เป็นสาระอะไรพูดกันสนุกแต่มันก็มีแง่ให้คิดเหมือนกันอยุธยาแตกเพราะเจ้าของเมืองทรยศแล้วสันดานของคนทรยศย่อมทําอะไรได้ทุกๆอย่าง ผมคิดแล้วถึงกับกัดกรามแน่นพอะเครียดแค้นมึงจงลงนรกทุกคนเลยซับแก้วแหวนที่แท้ๆยังอยู่ใต้ดินนี่แหละใช่อีกคนหนึ่งที่แก่กว่าพูดขึ้นแต่แห่ไม่มีใครรู้ทางที่จะเข้าถึงอุโมงค์ใต้ดินได้ผู้เฒ่าผู้แก่เคยพูดให้ฟังว่ามีช่องทางจะเข้าได้หลายทางแต่มีบางคราวพอมีคนรู้เข้าก็บังเอิญให้ฟ้าผ่าสิ่งก่อสร้างลงมาพังปิดทางซะเลยก่มีโอ้โห ถ้ารู้ทางเข้าก็เป็นเสษฐีเลยสิคะแบบนี้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งพูดพร้อมกับหัวเราะกันกระสิกกระสิกเมื่อสักสามปีมาแล้วผมมาเที่ยวที่นี่พอดีกับเขามีเรื่องกันทีเดียวมีพวกรู้ทางเข้าอุโมงขโมยขุดเข้าไปเอาทรัพย์มาได้บ้างชายคนนั้นพูดต่อได้อะไรบ้างอ่ะครับชายอีกคนนึงถามเขาว่ากันว่าได้ไปหลายอย่างเลยแหละแต่ตำรวจรู้เรื่องก็เลยจับตัวคนร้ายเนี่ยใส่คุกคุกเมืองนี่แหละตำรวจได้ของกลางบ้างไหมอะ ได้บ้างเหมือนกันถึงมีคดีจับตัวได้แต่ก่อนจะจับได้ก็คงเอาไปมากแล้วอ้าวแต่ว่าการทำลายปูชนียสถานเนี่ยก็มีอยู่ในกฎหมายแม้จะไม่ได้ของกลางมันก็ผิดอยู่แล้วนี่เขาว่าไอ้หมอขโมยคนนี้มันเก่งในตามันยังกระเรามองดูตามพระเจ้องค์พระใจดทีทั่วไปตรงไหนมีทรัพย์มันชี้ลงไปพอเจาะแล้วก็ขุดลงไปก็พบทุกทีโดยมากก็จะเป็นพระทองคาแต่ว่าเท่าที่ผมทราบข่าวมานะ แห่งสุดท้ายที่มันขุดแล้วก็ทําให้มันโดนจับก็คือมาขุดที่พระเจดีย์ใหญ่สองสามองนั่นแหละเจดีย์พระศรีสันเพชรคือระหว่างพระเจดีย์สามองนั้นมันก็มีช่องห่างกันเห็นไหมชายแก่ชี้ให้ทุกคนดูตรงช่องว่างนั้นแหละมันขโมยขุดตํารวจเล่าให้ฟังว่ามันขุดเป็นช่องตรงลงไปแล้วก็ไ่เชือกลงข้างล่างนี่ก็มีอุโมง์ทางเดินได้ตลอดองค์เจดีย์ทั้ง3ข่าวว่าได้โพเงินโพทองมาหลายต้นแล้วก็สร้อยเพชรก็เคยได้เรื่องนี้ มันก็หลายปากพูดกันอาจจะเลยจริงไปบ้างก็มีตอนผมมาเที่ยวก็เกิดฝนตกใหญ่ก่อนหน้า2วันน้ำฝนก็เลยเต็มช่องทางที่มันขุดไว้มีส่วนกว้างขนาดด้านละเมตรกว่าๆตำรวจบอกว่าถ้าอยากจะลงไปดูก็ต้องอึดใจดำน้าแล้วก็มุดอุโมงค์ข้างในเข้าไปถึงจะมีที่หายใจนะตำรวจบอกใครล่ะจะลงคุณเอ้ยลงไปเท่ากับไปฆ่าตัวตายเอาละว่าที่ทางเดินในใต้นั้นก็ถ้าน้าท่วมถึงมันก็ น้ำมันไปถึงหมดแหละไม่ตายอยู่ในใต้นั้นหรอแต่ตำรวจล้อมเรียงรายเฝ้าพระใจดี3องค์นั้นหมดกลางวันเที่ยวได้แต่ว่าพบข่ขําแล้วก็ห้ามเข้าตำรวจก็ตั้งกองรักษาเลยทางตำรวจรู้อะไรอีกบ้างะคะเขาว่าตัวนักโทษไม่ยอมพูดอะไรมากพูดเพียงว่ายังไม่พบแหล่งทรัพย์ใหญ่เท่าที่ได้ขึ้นมาก็เพียงของที่ตกเรียราดอยู่ซ้ายังถูกหักหลังก็คือ นำของมาใส่ในกระเช้าข้างบนก็ชักเชือกขึ้นแล้วก็พาของหนีไปบ้างก็มีแต่พอถามอะไรหมอนักหมอก็นิ่งซะจะไปทําอะไรหมอก็ไม่ได้เรื่องของซัพย์นี่ไม่เกี่ยวกับปู่สมบ้างเหรอคะเ<ๆ>พราะว่าโบราณว่าทรับทั้งหมดในนี้ปู่สมเฝ้าอยู่ทั้งนั้น<ๆ>ก็อาจจะเป็นไปได้ที่พวกขโมยได้ทรับไปอาจจะไม่ใช่ทรัพย์ที่ปู่สมเฝ้าก็ได้หรือว่าปู่สมจะทําให้บังเกิดจับได้ซะอย่างไรก็ไม่รู้นะเ<ๆ>ขาเล่าว่ามีพระบางรูปอยากรู้อยากเห็น เคยรู้ว่ามีช่องทางทางหนึ่งใต้ปราสาทพระศรีสันเพชเขาว่าทางนั้นมีอุโมงค์ลงไปได้พระท่านก็ลองเข้าไปสองสามรูปเดินเข้าไปลึกอยู่แต่เกิดมีงูใหญ่นอนขดตัวขวางทางอยู่ทั้งชูคอขึ้นขู่ซะด้วยพระก็เลยวิ่งออกมาไม่กล้าจะเข้าไปอีกเพราะว่างูนั้นใหญ่มากช่องทางที่ปราสาทพระศรีสันเพชรนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันข่าวก็ชักจะลือกันมากก็เลยเกิดฟ้าผ่าอิฐปูนพังลงมาปิดทางหมด เนี่เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละผมถึงว่าทรัพย์ที่แท้จริงมันยังอยู่ใต้ดินแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็แค่นั้นน่าเสียดายนะคะเสียดายอะไรกันทซั์เหล่านั้นไม่ใช่ของเราเราจะไปยุ่งกับเขาได้ยังไงดีไม่ดีปู่สมจะเอาตายเสียงหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเราเพลินอยู่ที่นั่นจนถึงเย็นเคลื่อนที่ไปหัวรอและรับประทานอาหารกันที่นั่นจนอิ่มน้ำสําราญแล้วก็ย้อนกลับมาที่วัดธรรมิกราชอาบน้ํากันสบายและผมก็เข้านอนกับพระ ส่วนสุธีนั้นนอนอยู่ในรถคนเดียวไม่ได้เจอหน้ากันกับพระหลายๆวันก็คุยกันกับพระก็คือคุณเกรียงสนุกนักมีเรื่องคุยกันเยอะแยะลงท้ายนอนคุยกันไปผมก็พูดไปคุณเกรียงก็ฟังบ้างตอบบ้างผมแอบหลับเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวและจะเป็นกี่ทุ่มก็ไม่ทราบที่ทั้งบริเวณนอกวัดแล้วก็ภายในวัดเงียบสงัดดีผมได้ยินใครเรียกเบาๆที่หน้าต่างคุติ ผมก็คิดว่าเป็นสุทีก็เลยลุกไปดูเห็นใครคนนึงยืนอยู่ท่ามกลางแสงเดือนสลัวแต่ว่าไม่ใช่สุทีชายคนนั้นกวักมือเรียกผมและพูดขึ้นมาว่าถ้าคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับวังโบราณ น, นี้อย่างมากโปรดลงมาข้างล่างเถอะจะอธิบายให้ฟังผมนิ่งอยู่หน่อยนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมถึงกล้าลงไปพบกับชายผู้นั้นซึ่งไม่เคยรู้จักกันเลย ชายคนนั้นมีร่างกายสูงแต่งกายอย่างคนไทยแท้อายุกลางๆคนเราเดินคุยกันไปในเขตวังโบราณตรงไหนบ้างก็จําไม่ได้ที่รวมทรัพย์สินใหญ่โตของโบราณอยู่ตรงนี้ชายคนนั้นพูดขึ้นแล้วก็เอามือชี้ตรงที่เขายืนตรงนี้แหละเป็นที่ใหญ่เขาพูดแล้วก็เดินวนเวียนไปมาผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้แต่มองเขาคุณตามฉันมาสิเขากวักมือตอนแรกผมก็ยังงงๆแต่มันก็คล้ายปาฏิหาริผมกับเขาเดินเข้าไปในซอกแคบๆ แ, แ, แห่งหนึ่ง พื้นที่ที่เดินเนี่ยปูด้วยแผ่นอิฐอย่างใหญ่ฝาผนังก็ดาดขึ้นด้วยอิฐแผ่นใหญ่เช่นกันชายผู้มีท่าทีเป็นขุนนางผู้นั้นถือคบเพลิงเดินนําผมไปหลายเลี้ยวจนไปหยุดยืนอยู่ที่แห่งหนึ่งข้างหน้าเราก็มีบ่อใหญ่สี่เหลี่ยมหนึ่งบ่อขุนนางผู้นั้นชี้ให้ผมดูบ่อแล้วก็ชูคบเพลิงขึ้นผมมองเห็นแสงสะท้อนของสิ่งต่างๆในนั้นแววแวววาวพอตาดีก็เห็นชัดว่าของแววนั้นคือเพชรนินจินดาที่ประดับอยู่กับทองคา เป็นกาไรบ้างส้อยบ้างจี้บ้างต่างกันไปแม่โว้ยสมบัติมหาศาลผมระทึกใจครั้นแล้วขุนนางก็เบนคบไฟไปอีกทางหนึ่งเป็นแท่นปูนตเตี้ยและก็มีโครงกระดูกคนนอนเหยียดอยู่ผ้าที่นุ่งห่มผุขาดไปแล้วใครผมหลุดปากถามออกไปเขาก็คือผู้ที่มีจิตใจนิยมทรัพย์สินทั้งหลายในบ่อนั้นเขาเป็นมหาดเล็กที่ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรงรักใคร่และไว้ใจมาก พระเจ้าเหนือหัวชวนเขามาดูซั์มหาสารเหล่านี้แล้วถามว่าเอ็งชอบไม่ว่าของสิ่งนี้มหัตเล็กผู้ตื่นใจในสมบัติอันล้ำฟ้านี้ก็ตอบออกไปด้วยอำนาจความนิยมชมชอบถึงแก่ไม่ได้ยินคําถามของเจ้าเหนือหัวต่อเมื่อถูกถามซ้ําขึ้นอย่างดังจึงได้ยินและตอบว่าชอบมากพระเจ้าค่ะมีอย่างนี้แล้วข้าวไม่ต้องกินก็อิ่มจะขออยู่ตรงนี้เท่านั้นเอ็งจะรักษาไหวหรือพระองค์ก็ทรงถามอ๋อ ขอดาบเล่มเดียวใครมาแตะต้องก็ตายเท่านั้นมหาดเล็กคนนั้นตอบโดยไม่เงยหน้าดูพระองค์เลยพระเจ้าเหนือหัวถอนพระทัยอย่างปลรงอนิจจังและสงสารซึ่งมหาดเล็กนั้นพูดอะไรไม่ออกคุกเข่าลงก้มดูซับนั้นอย่างตะลึงลานใจพระเจ้าแผ่นดินจึงดํารัสว่าเอา้าข้ายกให้เองทั้งหมดเองจงรักษาไว้ให้ดีเถิดว่าแล้วพระองค์ก็แอบหยิบดาบที่ซ่อนไว้ฟาดฉับลงไปที่คอมหาดเล็กคนนั้นตายคาที่ พระเจ้าเหนือหัวชงักระทับการแสงอยู่อย่างสมเพศและรักใคร่แล้วจึงทรงลากศพมหัดเล็กผู้นั้นขึ้นนอนบนแทน่นพร้อมกับหัวที่ขาดวางต่อไว้เรียบร้อยแล้วก็จึงเอาดาบวางไว้ข้างศพแล้วก็ทรงดํารัดกับศพว่าอเอ้าเอ็งว่าดาบเล่มเดียวก็พอจะรักษาทรัพย์นี้ได้นี่แหละคุณเอ้ยคนที่นิยมอะไรต่ออะไรจนเกินไปแล้วก็กลายเป็นโลคที่สุดวิ ญ, ญญาณก็เป็นวิญ ญ, ญาณทรมานนอนเฝ้าทรัพย์ที่จะเอาไปไหนไม่ได้แม้แต่ร่างกายของตนเอง คุณนางผู้นั้นพูดแล้วก็ถอนใจอย่างสลดเบิงหน้าขึ้นสูงนิ่งคนที่ตายน่ะคือใครครับผมถามเขาชื่อในโสมมหาดเล็กที่รักขุนนางผู้นั้นบอกอ๋อปู่สมผมร้องแล้วนิ่งอั้นไปจนนึกอะไรขึ้นจึงถามต่อขอประทานโทษได้โปรดกรุณาและตัวท่านคือผู้ใดแล้วครับอ้าวก็ในโสมนะสิพอเขาบอกขาดคําผมถึงแก่ผงะสะดุ้งสุดตัวเสียงหัวรอดของชายผู้นั้นยังดังก้องติดหู ผมลืมตาเห็นคุณเกรียงกำลังคลองผ้ามันเป็นเวลาเช้ามืดแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของครูเหมเวชกรอีกตอนหนึ่งนะคะซึ่งก็ชื่อตอนว่าวิญญาณทรมานค่ะหมดเวลาของวิญญาณทรมานแล้วนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะบีจะนำเรื่องกรุงเทพแช่น้ำเป็นเรื่องราวของการถอยหลังลงไปอีกสัก20กว่าปี 20กว่าปีที่ว่านี้เนี่ยคือ20กว่าปีในหนังสือเล่มนี้ที่ถูกพิมพ์ขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่าถูกพิมพ์ขึ้นในปีพุทธศักราช 2,400 ั24 00, หรือว่า2500นะคะถ้านับ20ปีย้อนกลับไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณปี2400กว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องรอติดตามฟังตอนต่ อ, ตอไปก็แล้วกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังช anel พระเจอผีบน YouTube ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ